สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเช้าโต FM 106 นะคะรายการนี้ก็มี การใช้ชีวิตประจําวันหรือทําอย่างอื่น เป็นซะยาวเลยคนที่ชี้ทางไม่ใช่ดิฉันค่ะๆคือพระพุทธเจ้าค่ะอาตมาก็มาบอกตาม ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บัญญัติๆพระสงฆ์ธรรมะที่ทําบทเสวยขึ้นมาก็คือประกาศพูดใหม่ว่าโดย เป็นผู้แสดงธรรมแสดงธรรมใช่ๆประกาศนี่คือประกาศไปใช่การบัญญัติแต่ง มีความสําคัญมากมั้ยคะกับการที่จะแยกใช้ <c oughs> ค่ะเพราะนั้นเนี่ยอ่าดิฉันเข้าใจว่าด้วยความ กล่าวให้ถูกต้องค่ะงั้นท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะต่อไปนี้เรา เอิ่มทุกนะทอทออักษรออกไก่ขทุกขังค่ะอ่าซึ่งมันหมายๆกันและ เอ่อถ้าสิ่งไหนมีสภาวะ 3 อย่างอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะนะเพราะๆ นี่ทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเจ็บมันปวดมันทนได้ยากแต่ถ้าเราบอกว่าสภาวะ เป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจอ่ะฟังอีกครั้งนึงนะแล้วพูด<ใช> คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไอ้สภาวะทุกข์เนี่ยเราต้องกําจัดออกไปว่าอยากได้สมาธิสมมุติว่าสุขเวทนาอ่ะคุณ<ใช> 4 ก้อนนะอยากก้อน ไม่อยากก้อน 1 สุขเวทนาก้อนไม 1 ทุกขเวทนาก้อน 1 แล้วคุณบอกว่าคุณอยากสุขก้อน 1 แล birthday, 2 ก้อนนี้คุณบอกคุณอยาก ว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ 4 คุณก็เข้าใจผิด 4 ก้อนนะฟังอีกครั้งนึงนะมันเป็นวิธี 1 สุขก้อน 1 อันเรา เราถึงต้องพูดกันวันนี้สัปดาห์นี้ว่าไอ้อยากเนี่ยมันคือตัณหาต้องทิ้งแต่ไอ้สุขเวทนาที่คุณบอกคุณอยากจะได้ แทนที่จะเราจะแบ่งซ้ายขวาว่าสุขเอาทุกข์ไม่เอาผิดและความอยากเอาไว้ผิดคุณแบ่งบนล่างซะแบ่งบนล่างว่า สภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะอะไรที่เป็นทุกข์ส่วนที่ 2 อันล่ะส่วนทั้งส่วนที่เป็นสุขทั้ง เพราะว่าถ้าเราอยากที่จะไม่ได้อันนี้เป็นวิภาวะตัญหาอยากที่จะได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไอ้นี้ไปติดปะวะเนี่ยเช่นอยากต้องการปรารถนาอะไร ศัพท์ของตัณหาจิตที่เราต้องควรทําเกี่ยวกับเรื่อง 4-5 อย่างนี้นี้เป็นความ เอ่อตัณหาตัณหานะแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยนะบางคนก็แปลว่าความทยานอยากบางคนก็แปลว่าความอยากเฉยๆเช่นพระอหันต์ตื่นหิวข้าวมั้ยหิวอ้าวแล้วไม่อยากกิน <Okay. S 1> หมายว่าตัณหาแบบไหนที่เป็นตัณหาเอา ที่อธิบายเรื่องหมวดของธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอธิบายเรื่องอริยสัจ 4 ก็พูดบทเพรยชนะตรงนี้ว่าตัณหาในเหตุ 1 มี 2 เป็นไป 3 มัก นะคือ 1 มีการเกิด 2 มีความ 3 มีความเพลินถ้าความอะไรก็ตามนะถ้าจิตเราเป็นต่างๆแล้วเป็นไปกับ 3 อย่างอย่างนี้อันนั้นเป็นตัณหามันได้นะทีนี้อย่างเอ่อบุรุษเจ้าในอยากให้สัตว์พ้น เป็นตัณหามั้ยค่ะอ่าก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะ แต่ถ้าเราเพลินหรือว่าการเกิดใหม่อันนี้ถือว่าอนันต์ไม่ใช่ตัณหาค่ะขอประทานโทษนะคะในที่นี้ ของเก่านี่อาจจะยังอยู่หรืออาจจะดับไปแล้วแต่ใจลองไปก้าวค่ะแต่ถ้า 3 อย่างความเพลินมีความกําหนัดด้วยนะถ้า ความเพลินความกําหนัดจะทําให้เราลุ่มหลงพอความลุ่มหลงมาค่ะเพราะฉะนั้นวัน ไม่ใช่ทั้งหมดว่าเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นดิฉันอาตมาจะใช้คําให้รัดกุมนิดนึงเดี๋ยวจะใช้คํา ค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะแม้ทั้งหมด มาแสดงให้ถูกต้องนะคะซึ่งผู้ที่จะมีความสามารถแสดงได้ถูกต้องมามามา 27 เดือนตุลาคมนี้ที่นั่นก็จะ